พระธรรมเทศนาแผนที่109ราลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่ารู้จักการให้ทานรู้จักการรับของทานอา้าวลูกหลานเนี่ยในความสงบประกาศ ก่อนที่หลวงพ่อพูดก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราเราจะได้เตรียมพร้อมผู้มีลูกมีหลานมาก็ไม่ต้องได้พูดคุยไม่ต้องได้พูดกันเออก็เป็นที่รู้กันวาระการฟังธรรมสรุปแล้วก็การที่ได้เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อตอนเช้าก็มีเพียงประเดี๋ยวประดาว จากนั้นก็ได้ห่างเหินกันไปถ้าไม่พูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดตอนไหนอีกเหมือนกันถ้าไม่ปรารบตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดปรปรัรบให้ฟังเวลาไหนมีแต่นู่น8คำ่คำสิบหาค่ำพวกเราจึงได้ประชุมกันได้กล่าวกันรู้สึกว่าจะห่างกันเกินไปในความรู้สึกของหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดได้กล่าว แนวความคิดหรือว่าที่จะเกิดประโยชน์ในกลุ่มของเราในกลุ่มพวกเราที่มาสู่วัดแต่ก็ยังมีอะไรพระท่านก็เอาออกไป Youtube หรือว่า Facebook ออกไปข้างนอกแต่ค็ลงพ่อก็บอกว่าอัานไหนควรจะเอาออกก็ค่อยเอาออก ทำไมควรเอาออกก็ไม่ควรเอาออกเพราะบางทีเราพูดในครอบครัวของเราบางทีปิดประตูตีแมวอย่างนั้นก็มีเราก็ไม่ควรเอาออกแต่สิ่งไหนควรจะออกได้ควรสาธารณชนควรจะรับรู้รับทราบว่าการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานพระป่าพระดงเนี่ยเขาอยู่กันอย่า ง, างไร การบริหารจัดการการดูแลกันเขาอยู่กันอย่างไรการปกครองผู้น้อยผู้ใหญ่ของพระกรมฐานเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรอันนี้ก็ถ้าจะ อ, าออกไปก็เอาออกไปให้ชุมชนสังคมใดรับรู้รับทราบเพราะว่าชุมชนกลุ่มแต่ละกลุ่มการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด แต่แ ล, ะแตและวิชาอาชีพแต่ละบริษัทห้างร้านมันการบริหารจัดการไปคนละอย่างกันเพราะนั้นอย่างวัดนะบ้านวัดป่าวัดพระธุรองค์มาฐานอย่างพวกเราการเป็นอยู่อย่างไรนะหลวงพ่อก็ไม่ขัดขอ้องเพราะมันเป็นหลักธรรมมันหลักธรรมหลักวินัยหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู่อยู่แล้วนะ ถาว่าผู้ใดไ ด, ได้ฟังแล้วมันผิดต่อหลักพระธรรมคำสอนบอกมาบอกมาบอกมาตรงๆไม่ต้องบัดสนเทนะบอกมาตรงๆก็ได้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันนี้เป็นทั้งหมดพระทั้งหมดที่จะมามาอยู่ในวัดของเราขณะ น, นี้ทั้งหมดพระ หกสิบสี่รูปสัมเนนเก้ารูปรวมแล้วเจ็ดสิบสามรูปนะคณะทศทาญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องที่หลวงพ่อพูดท้งนี้ท้งนั้นให้ฟังก็เพื่อให้พวกเราได้เตรียมพร้อม เ, อเราจะทำอาหารถวายพระสงฆ์กูบายจาน เ, เพียงขนาดไหนจึงจะพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารครัวบวกครัวของเรานะเและตลอดถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมาทำบุญนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยอีก6กวันจากนี้ไปก็เป็นวันเริ่มงานของพวกเรานะอีก5้าวันนะอีก5้าวันเป็นวันเริ่มงานของพวกเราเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ก่อนนี้อ ย, อย่างพวกเราท่านหลากหลายหเห็นเต็นเ ก, กากลางเกือบเต็มสนามแล้วนะ โรงทานก็ทยอยเข้ามาก็มีผู้มาทำโรงทานก็รับไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักเพราะมัน ท, ทยอยเข้ามาอยู่เพราะนั้นผู้ใดเดี๋ยวจะมาเคยมาทำาก็มาบอกกล่าวให้คณะกรรมการได้ลงชื่อเอาไวพาะะ้พอจะได้จัดสถานที่ลงใครจะมาทำโรงทาน ก็ดีบรรยกันนะหลวงพ่อวานนะบ้านเรือนของเราตระกูลของเราครอบครัวของเรา เ, เราจะมาทำบุญทำทานเสียสละเลีเ้ยงน้ำคู่คนเลีเ้ยง อ, อาหารคู่คนเป็นการเสียสละเป็นน้ำใจของเรา เ, เป็นการเสียสละ เพื่อให้ผู้คนได้รับทานอาหารที่ท่านที่เราบางทีเราไปเราก็ไปยืนเรียงคิวเข้าไปรับอาหารบางทีเขาเป็นของเราบ้างเสียบ้างไม่ใช่แต่กินแต่คนของคนอื่นเขาทางว่าเราไม่มีมันก็อีกอย่างหนึ่งอย่างครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทางว่ามีจตุปัจจัยทังตั้งลงฐานเหมือนกันนะ อย่างรูวงพอตั้งโรงทานก็ไม่ได้ขี่โรงทานเหมือนกันหลายครั้งต่อหลายโหดแต่ก็บางทีก็ออกบ้างออกเสียงบ้างบางทีก็ไม่ออกบ้างบางทีก็สนับสนุนปัจจัยไปบ้างเพื่อท ำ, ทำโรงทานนี่แหละการเป็นอยู่มนุษย์ชาติต้องอยู่ด้วยกันต้องโดยต้องอยู่ด้วยฐานะคือทานจะมองข้ามไม่ได้เรื่องทานคนํานี้ถึงอย่างไงยังไง ถึงจะเป็นเป็นเปลือกเป็นเปลือกก็เถอะแต่ต้นไม้มันต้องอาศัยเปลือกถ้าไม่มีเปลือกก็จะดูสิต้นไม้มันจะอยู่ได้ไหมนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาของเราต้องอาศัยการทําบุญทําทานของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเพระพุทธศาสนาจึงเป็นอยู่ได้แต่ขนาดพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าของเราท่านหนีออกจากเวียงวัง่ะ กับนายชนะไปถึงแม่น้ำอโนมานทีพอไปถึงแล้วก็พระองค์ก็ทรงพรนวดคือบวชบวช ด, ด้วยพระองค์เองพระเจ้าแผ่นดินต้องสมัยนั้นทำมวยผมผมยาวๆทำเป็นมวยผมท่านก็จับมวยผมขึ้นมาแล้วก็ใช้พระแสงดาบคือดาบดาบพระเจ้าไปตนดินสมัยนี้นขมเก็บ มันเลยมแมลงวันบินผ่านก็ปีกขาดเลยงั้นแหลคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นใช่ไหมก็ว่าขมถึงขนาดนั้นละขนาดว่าแมลงวันบินผ่านขบขมมีดเนี่ยขมดาบเนี่ยแมลงวันตัวขาดเลยไหม <c oughs> ทีนี้ท่านพระองค์ก็จับพระแสงดาบขึ้นมากตัดพระโมลีคือผมแหอคงจะคงจะไม่ได้ป่งผมอย่างมีดโคนของเราทุกวันเนี่ยคงจะจับ มาแล้วก็ปัดออกไปให้มันสั้นให้หมดภาระจากนั้นพระองค์ก็ได้เอาผ้าผ้ากาสาวะตันวะพรมหรือ ว, ว่าเทวดานำมาถวายแต่งก็ทรงผ้าจากนั้นเมื่ อ, อได้ห่มผ้ากาสาวะแล้วก็คือเป็นนักพรตนักบวชแล้วสิพระองค์ก็นั่งอยู่ตามลำพังถึงเจ็ดวันคล้ายๆวัน สวยความสุขไงสวยความสุขที่ได้ออกมาจากเวียงหวังมันตรงกันข้ามกับพระลูกพระหลานกับนาที่เขามาบวชนั่งหน้าจ้อยง้อยเงาคิดถึงบ้าน ว, าว้าหวอ้างว่าเงียบเงาเศร้าซึมอีกต่างหากคิดถึงบ้านเมื่อกี้เราไม่เคยอยู่บ้านตั้งแต่ไหนยงงั้นลแล่ะต้อ็รู้อยู่แล้วว่าเรามาบวชใช่ไหมเราเสียสละ อีกไม่กี่วันกี่เดือนเราก็จะกลับไปบ้านอยู่แล้วทำไมไปคิดถึงบ้านให้งโง่ทาไมในเมื่อเรามาอยู่หน้าที่นี้เราก็ต้องทหาหน้าที่นี้ดีให้ดีที่สุดเออมันจึงจะถูกอันนี้กลับมากลับมาอยู่ข้างนอกก็คิดถึงวัดพอมากลับถึงวัดก็มาคิดถึงบ้านนี่แหละมันมีบ้านหลายประเภทบ้านในโลกบ้าร้อยแปดทันหวานอ่ะอันนี้พวกเรามีแล้วมีแล้วเปล่าพระลูกพลาน ในเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ต้องตั้งใจดูใจของเราแต่ละครั้งประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านดูยังไงพุทธโธอยางให้เพลิอขาขวาพุทธขาซ้ายโทอยู่ตามลาพังให้อยู่ในความสงบอยู่ในความเป็นเอกเทศเป็นเสียแต่เราทำการทำงานเออเอาไปช่วยการช่วยงานพอจากงานการมาเาเข้ามาเป็นสวนตัวเอกนีน่แหละ พระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราในเมื่อท่านออกทรงผนวดอยู่ในป่าถึงฝั่งแม่น้ําอโนมานาทีท่านก็คงจะมีโค้ดหินนั่งอยู่ในที่ร่มถึงเจ็ดวันพระองค์นั่งเสไว้ความสุขความสุขที่ได้ออกจากเบียงวังถึงเจ็ดวัน เ, เหมือนกับท่านบอกว่ า, วาเหมือนกับ คนที่ไปติดคุกติดตารางแล้วก็ออกมาจากคุกติดตารางจากที่คุมขังโอ้มีความสุขแต่ก่อนเราอยู่ในคุกอยู่ในตารางไม่รู้ว่านายคุมนักโทษไม่รู้จะใส่ตะพดไม่รู้จะดูถูกบังคับขู่เข็นให้ทําการทํางานแต่บัดนี้เรามาเป็นอิสระนะเรามาอยู่ตั่งตามอิสระแล้วก็เหมือนกับเราเหมือนกับ น, นก คลิปอยู่ในที่คุมขังออกมาจากที่คุมขังแต่ก่อนเมื่อเราเป็นหนี้เป็นศินนายหนี้นายิ น, น, ายนมาทวงทุกวี่ทุกวันหลบเลีกนายนี้นเจ้าของหนี้บัดนี้เราไม่ได้เป็นหนี้ใครแหละเป็นไทยอิสระในการเป็นอยู่นี่แหละเหมือนกับตะกอนเหมือนกับเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่บัดนี้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เ, ออเราไม่ได้อยู่กับ เราหายจากโรคแล้วโครคภัยไข้เจ็บแล้วเราไปอิสระเราเป็นมีความสุขนี่แหละพระ อ, องค์นั่งทบทวนในความสุขของพระ อ, องค์เองที่ว่าเป็นอิสระเสดีอยู่ตามลําพังตะกอนไม่เป็นอย่างนี้ตะกอนไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนี่หลูกน้องบริวารรายงานมาจะต้องได้รับรู้เอ้าสงสารไปส่วนสงสารกร็รักษาบ้านเมืองเอ้าทำมาค่าขาย มันมีเรื่องอะไรทั้งวีทั้งวันอยู่ในพร ะ, พ ร, ะราชสำนักอีกต่างหากเนี่ยนี่แหละพระองค์ออกมาจากเวียงวัง่ะพระองค์เป็นนั่งอยู่ตามลําพังมีความสุอถึงเจ็ดวันพออยู่ใน้เจ็ดวันเลยคงจะหิวแล้วมั้งทีนี้นะอถ้าหิวเราจะทํำยังไงเนี่ยนี่แหละคำว่ำาทานะคำเรีะบาร้อยเมื่อพระองค์หิวเราจะทํางไงก็ได้บาต เอาบาดออกไปก็เดินไปหาชาวบ้านใช่ไเนี่ยนั่แหละคือว่ากรรมการทําทานแล้วนะที่นี่นะมันต้องอาศัยการทานนะพี่น้องลูกหลานคณะทาญาิโยมนะเอพราะพระเจ้าเอวันแรกเลยเนะี่ยพระองค์ก็อุ้มบาทไปออุ้มบาทไปเข้าไปในบ้านแต่สมัยนั้นนะคนทั้งหลายเป็นผู้ทําบุญทําทานเนี่แล้วชาวอินเดียนะ่ะถ้าเห็นนักพรตนักบวชพลงพลังหนวดเขายาว บางทีก็ชีปงชีเปลือยแก้ผ้ามาแต่ทึงยังไงทุกคนก็ต้องกินทานอาหารกินข้าวใช่ไหมชาวบ้านเขาก็เห็นนะะ็เออเอาไปทำบุญตักบาตรเอาเอาทตักบาตรนักพจนักบวชเพราะไม่เหมือนกัน เ, เดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่สรุปแล้วก็คือเขารู้เราไปขอภิกษุไปว่าผู้ขอภนะิกษุสัส ม, มณะไปว่าผู้ อผู้อยู่ตามลําพังผู้เประเสริฐภิกษุเป็นผู้ขอน่ะพิกขเวพิกข เ, เ, เวเป็นผู้ขอน่อันนี้พระองค์ก็เดินเข้าไปขอเหมือนกันอไปขอจากชาวบ้า น, น่แต่ไม่ได้เอ่ยปากนะออาตมาขอเข้าขอแกงด้วยเธอไม่ได้ว่าเดินไปกับชาวบ้านเป็นที่รู้กันอย่างพวกเราบินทาบาทเนี่ยอย่ากนั้นคนก็ใส่บาท ใส่บาตรพระพุทธเจ้าใส่บาตรสิท ธ, ธนะัตถะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเขาก็ตักบาตรทุกวันเนี่กระทั่งว่าชาวบ้านนอกของเราคนนี้เนะ่ยทั้งแกงขี้เหล็กทั้งแกงบอลทั้งแกงหน่อไม้เนะี่ยใครได้กินอะไรก็ตักบ่าดไส่บาตรใส่บาตร ส, สิท ธ, ธนะัตถะพอสิทธัตถะมองดูบาตรแล้วก็เพียงพอสําหรับคนคนเดียว สำหรับคนคนเดียวเพียงพออาหารประเภทขนาดนี้นพ่อองค์ก็เดินกลับมากลับมหาที่พักพอกลับมหาที่พักพรอองค์ก็มองอาหารในบาทใช่ไหมสมัยก่อนอยู่ในเวียงวังสำรับกับข้าวอยู่แต่ละถ้วยพอตักช้อนเงินช้อนทองอีกต่างหากพอตักป๊อบทานอาหารเข้าไปแล้วก็อันเดียวก็ออกไปถ้าอันไหนอร่อยก็เออ ซ้สำสอง้สำสามเพราะอร่อยฮถ้าไม่อร่อยเอาออกไปเออพูดเอาอาหารมาถวายเพราะท่านเป็นพระราชาใช่ไหมล่ะอาหารสำรับกับข้าวปราเน็ดซอสเอ่อในสำรับกับข้าวใส่ถ้วยภาชนะทองคำเงินทองคำเท่านั้นแต่มาบัดนี้อาหารอยู่ในบาดไม่รู้ว่แกงเิเล็กไม่รู้วกแกงบอนไม่รู้วกแกงหน่อไม้ มันครุกกันอยู่เอยถ้าจะว่าเหมือนอาเจียนก็ไม่น่าจะผิดนะเยตอนนี้พระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใช่ไหมเศรษฐ์มืเหมือนกันนะท่านท่านก็มองดออูท่านก็สอนพระองค์เองนะศิท ธ, ธิานะแต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักพรตนักบวชขอเขาขอเขาเราก็ไปขอเขามาทาน เขากินอย่างนี้เขาทานอย่างนี้เขารับประทานอย่างนี้เขาเลยใส่บาตรให้เราเราจะเราได้รับของทานของเขาที่เขาทำบุญมาเขาก็กินอย่างนี้เราจะกินอย่างอื่นกินอย่างดีๆได้เลยเมื่อเขากินอย่างนี้เราก็ต้องกินอย่างนี้ทีพระองค์คงจะหลับหูหลับตาในะวันนั้นคงจะรับทานอาหารเป็นวันแรกนะเขาหิวอยู่แล้วตั้งเจ็ดวันใช่ พอสวยพระกรจจารวันแรกเลยอิ่มพออิ่มเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรนะพอเอ็มเอ็มทานสวยเข้าไปอิ่มท้องแล้วก็จบมันอยู่ในท้องนะ่ไม่ว่าอาหารดีอาหารไม่ดีอาหารรสเลิศโ อ, อ้โหรสไม่เลิศมันเพียงท่าร่างกายเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องการอาหารเข้าไปบารุงให้อยู่ได้ให้อยู่ได้หไดเหมือนกับต้นไม้ ใส่น้ำใส่ปุ๋ยให้ไปเข้าไปก็ให้อยู่ได้นี่ก็เหมือนกันร่างกายก็ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็คือในอาหารเนี่ยนะปุ๋ยของร่างกายนะแอพออยู่ได้พระองค์ก็มีความสุขเออพอวันต่อไปแลวก็ปิบินดาบาดมาฉันก็ฉันอย่างเก่าอ่าพระองค์คงจะฉันบ้างไม่ฉันบ้างเออพออยู่ตามลำพังเนี่ยใช่ไหมเออผลทีสุด ผลที่สุดเอ อ, เ อ, อ ท, าทานน้อยก็แล้วทานมากก็แล้วทดลองเลยส อ, อไม่ทานอาหารดูสิมันกิเลสมันอยู่ในกายของเรานี่แหละท่านจึงอดพัะกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวั น, นเลยไม่ทานอาหารเลยจนพายผอมลงไปเลยโอ้โหเทวดาอยู่แถ บ, แถ บ, แถบนั้น เ, นเออเอาละเลงเอาอาหารเข้าไปในผิวหนังเพื่อจะให้พระพุทธเจ้า อยู่ได้กลัวกลัวสิทธิธรตายสวรรคตนะนี่แหละพระองค์มองดูพระองค์เองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพระองค์นะพอถึง4ี่วันนะโอ้ถ้าเกินไปกว่านี้เราเหยียบเส้นแดงลขีดแดงลถ้าข้ามไปนี่แปลว่าตายเราต้องถอยเลยพระองค์จึงสวยพระกยาหารเพียง ได้49วันจากนั้นมาไปบิณฑบาตฉันอาหารต่ออีกนี่แหละในช่วงนี้แหละช่วงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ปนนิบัติดูแลอุปถัมประทากอยู่นะเห็นพระพุทธเจ้ากลับมาเสวยปักยอาหารเท่านั้ น, นหมดศรัทธาเนี่ยนะคนที่หมดศรัทธามันหมดอย่างนั้นนะเออไม่ได้รู้ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรหรอกเออเดวบอก ศีรษะเนี่ยท่านอยู่ดูใจของท่านอยู่ท่านควรทํำยังไงควรจะแก้ไขยังไงเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทดลองอย่างนี้ไม่ถูกถ้าจะทดลองไปทําไมมันก็ต้องกลับใช่ไหมมันต้องหาวิธีการอีกอันนี้พอพระ อ, องค์สวยภระกายาหารทั้ง4ี่สวันเท่านั้นนะอดพร ะ, พระกากกายาหารกลับมาฉันอาหารปั้นจ้วิ่งขี่ทางห้าที่นั่ง อ, อ, อ่าปากบอบยู่เอาข่าวเนี่ สิทธิาจะได้สำเร็จในตัดรูแ้แน่ๆละครนีนะ่นั่งอยู่ข้างเวทีนะมองอยู่ไกลๆมองดูอพอทน่สุภโพผู้ทรงสวยพระกายาหารปัญญยวกีทหาไปไปไปไปหนีพวกเราสิทธิ์าไม่ได้สำเร็จอกชาตินี่ถอยหน้าถอยหลังทําอยู่นี่แหละตั้งหกปีแล้วเนี่ย เ, เราจะมาเฝ้าอยู่นี่ไม่ได้หรอกนี่นี่แหละ จากนั้นปัญจวคีร์ทั้ง5กันหนีออกจากชิตธาจากพุทธกยาไปถึงไปพาราณัสีน่นะให้พวกเราไปเมื่ออินเดียจะได้รู้นะพระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวคีร์ทั้ง5ที่เมืองพาราณัสีน่ะออกจากพุทธกยาจากนั้นพระวกก็อยู่ตามลําพังเถิดเออมื่อปัญจวคีร์ไปแล้วก็ไปปลด เออพราปัญจวัคคีย์พราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชิญปัญจวัคคีย์มาเลยใช่ไหมเออไม่ได้บอกว่าเออปัญจวัคคีย์นะเมื่อเราไปบวชพวกเธอตามไปหาเรานะตามผล น, นิบัติเรานะพระองค์ก็ไม่ได้ว่านะยเออจะมาก็มาจะไปก็ไปมันคนละเรื่องกันเหมือนกับเราเกิดมาน่ะต่างคนต่างมาต่างคนต่างตายใช่เออจะมาเกี่ยวข้องกันทําไมเออใคตายก็ตายไปเราก็เกิดมาเากิดรเกิดมาด้วยกรรมของเราสู่เจ้าเกิดมาก็ด้วยกรรมของสู่เจ้าเกิดข้อสําคัญให้ับ ทุกคนให้ทำกรรมดีนะั่นแหะอย่าไปทำกรรมชั่วนะให้ทำกรรมดีสิ่งที่มั น, มนที่มันชั่วอย่าทำทำสิ่งที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็คือแถวแต่กรรมของสู่เจ้านะไอ้เ น, นี่ยิ ธ, ธิ์ฐานท่านก็นั่งอยู่ตามลำพังบำเพ็ญอยู่ตามลำพังจนถึงวันเดือนหกเพนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นะนะ่ะนี่แหะความเป็นมาของพุทธะนะพุท ธ, ธาาศาสนาะพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยทานะ อาศัยผลทานพี่น้องประชาชนทำบุญทำทานนี่พวกเราก็เหมือนกันนะประสงค์ที่จะอยู่ได้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนทำบุญทำทานก็ว่าทานคำนี้เป็นพื้นฐานนะในเมื่อมีทานแล้วก็มีศีลมีกฎระเบียบนยการอยู่ด้วยกันในเมื่อมีกฎระเบียบแล้วก็มีแนวความคิดจะทำจิตใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ใช่ว่าให้ทานกินอิ่มท้องเถอตาหลับปื้สนุกสนานไป อ, อ, อยู่นอกไม่อยู่ในกฎระเบียบหปือต่างหากถึงจะอยู่ในกฎระเบียบก็เถอะคิดปุ่งฟุ้งอยู่ทั้งวีทั้งวันไม่ได้หาทางพ้นทุกข์ให้กับตนเองอันนั้นก็ไม่ถูกเองเหมือนกันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ย อ, อ, อยู่ด้วยการ เ, เป็นอยู่ชีวิตด้วยการอยู่ด้วยการทำทุนทําบุญทําทานของพี่น้องประชาชน จากนั้นก็มามาอยู่ในกฎระเบียบควรจะรักษาศีลอย่างไรศีล227สศีลสิสองสัสมมาเนนจากนั้นก็คิดอย่างไรเนี่ยแนวความคิด เ, เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ว่าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือตัดรู้ความคิดนะศรัทธาญาติโยมไม่ได้ตัดรู้ความเป็นอยู่นะในเมื่อตัดรู้ความคิดแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วจากนั้นจะค่อยมาวางกฎระเบียบเนี่ แหมจึงค่อยมาวางพระธรรม8ปดหมสี่พันพระธรร ม, มขันเถิดจึงค่อยมาวางจุดนี้เกีวกับหลักพระธรรมวินัยเอไม่ใช่ว่าจะวางซะก่อนจึงจะได้ตัดสรู้ไม่ใช่ตัดสรู้ซะก่อนรู้แจ้งเห็นจริงซะก่อนในคืนวันนั้นได้กันวันเดือนหกเพ็นนั่นนะพอได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วออออกมาบัญญัติเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเมื่อประสงค์มากเท่าไรเยิ่ยงบัญญัติวินัยมาก ถาว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมาถึงทุกวันนี้นะ 2,500 กว่าปีพ ร, พ, รพระพุทธเจ้ากษัตป่าอายุหมืน่นอายุยืนถึง 20,000 ปีนะลูกหลานนะอันนี้พระพุทธเจ้าประเนิพานมาได้กับ 2,560 ปีนะอก็ยังมีสองแปลกปลอมขึ้นมาแต่เมื่อเยอะแยะพราะมันบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปโลกมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เ, เห็นได้ชัดก็นี่แล้วนะเเอเอ พระภิกษุทําพระพุทธเจ้าอย่างสงประชนอยู่หลวงพ่ อ, อมั่นใจแล้วพุทธเจ้าคงบัญญัติเยอะแยะวินยัยห้ามพิให้ภิกษุขับรถห้ามไปชุห้ามให้ภิกษุขับเครื่องบินห้ามภิหุให้ภิกษุขับมอเตอร์ไซค์ขี่จั ก, กรยานไม่ใช่เรื่องส ม, มณะมันหาความสงบหาความเรียบร้อยไม่ได้คงจะบัญญัติวินัยขึ้นมาอีกใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อเดาหรือคิดด้วยเฉยเฉยะที่ว่าไม่ไม่น่าจะคิดผิดเหมือนกันนะ อย่างอีกมากมายนี่พอพายุคนี้สมัยนี้ยุคนั้นสมัยนั้นแต่บางทียุคนั้นสมัยนั้นที่บรรยัญญติขึ้นมาแล้ยหมดดูแล้วหมดคล้ายๆกับว่าก็ไม่ไม่มีความจําเป็นเลยเลยมายุคนี้นะเอ อ, อย่างพิสุปบรรยัญญตก่องเข็มประคดเอวลอละไรลักษณะนะเนี่ยกองทากองเข็มโดยทำํทำยาทําด้วยเขาด้วยงานหรือทําอาชนะเนี่ยที่นั่งสันทัดที่ หลอด้วยข้นกนเกียมเจือด้วยไหมขนเกียมดำล้วนนะในพระวินยัยเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วในในเรื่องเหล่านั้นนะไอ้พวกแหละมันผ่านมาแล้ว น, ะนี่แหละอไปลว่าวินัยตายจุดนั้นนะตรงนั้นนะแต่ว่าตรงอื่นอีกนะใช่ไหมเนี่ยนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติกฎระเบียบสลปแล้วก็คือพระองค์อยากจะให้พระสงฆ์อยู่ในกฎระเบียบในศีลและวินยัยในเมื่อมีศีลวินัยดีแล้ว จิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านเลยพอไม่ได้ปรุงฟุ้งซ่านกับข้างนอกจิตใจก็สงบเลยพอสงบเราก็หาทางพ้นทุกข์เลยตัดกิเลยราคะโทสะโมหะไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นแหะเป็นจุดประสงค์ของพุท ธ, ธะจริงๆก็คือตรงที่ตรงที่ว่าจำชําระใจอย่างไงจิตกี่เลยราคะโทสะโมหะจึงจะหลุดออกจากคร่างออกจากจิตใจจึงจิตใจจิตจะวริสุทขหลุดพ้น ออนี่แหละเออตืองสมาธิเตืองสมาธิจากนักเดินปัญญา เ, ออเปินปัญญาวิปัสนาให้รู้ให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายออหลุดพ้นจากอาสวะนี่แหละขั้นตอนนะคณะสัตยายาตโยมลูกหลานทุกคน น, ะนี่หลวงพ่อพูดแนวแนวความคิดของพุทธะตั้งแต่พระ พ, พุทธองค์ออกบวชทรงพนวดอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาที พระ อ, องค์ทำอย่างไรแล้วก็ น, นี่แหละไปบิณฑบาตอาศัยชาวบ้านใส่บาตรให้ฉันพระ อ, องค์มีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เขาที่ไปบวชออกจากเวียงวังแล้วแล้วก็ไปเห็นอาหารที่คนมาใส่บาตรแล้ว น, ะนี่แหละให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะพวกเราเนี่ยได้บุญได้บา ร, รมีของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ได้แผ่เมตตาพวกเราเนี่ยแปลว่าได้กินได้ใช้บุญบารมีของพระพุทธองค์พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทที่ไหนให้เป็นพระที่ดีเนร์นที่ดีที่นี่นะอพอเราได้พึ่งบุญบารมีของพระพุทธเจ้าในในพวกเราทุกท่านนะอย่าลืมตัวอยู่นสถานที่ใดนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อัโุทนาให้พรรับพรในเสนีหน้อ